ปัญหามาแล้วฉันชอบฉันชอบปัญหาชอบอุปสรรคทําไมชอบปัญหาชอบอุปสรรคเพราะปัญหาหรืออุปสรรคทำให้ฉันมีพลังอย่าอย่าเป็นคนที่มีพลังชีวิตต่ําหรืออย่าเป็นคนที่มีพลังชีวิตน้อยให้เป็นคนที่มีพลังชีวิตมากสัพพะเรียกอายุมากพลังชีวิตมีมีกําลังของความรัก ความรักความปราถนาอย่างแรงที่จะลุถึงจุดหมายนะั้นเพราะมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและเมื่อเห็นในสิ่งที่ดีแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีเพื่อเพื่อผลที่ดีที่เลิศแล้วที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าผลที่จะเกิดขึ้นมันมันเลิศมันเป็นเสริฐ จ, จริงๆแล้วต้องแกล้วกล้าต้องอาถรรพ์ใจต้องสู้ต้องลุดไปข้างหน้าไม่หยุดแล้วต้อง เวลาเวลาดําเนินดําเนินชีวิตไปไปถึงจุดหมายได้นะ่ะอย่าให้อย่าให้ความความคิดที่จะมาขัดขวางมาแทรกในใจเราอย่างอื่นข้างนอกไม่เป็นไรแต่ในใจเราต่างหากอย่าให้ความคิดไม่มีใครจะมาขัดขวางเราได้แต่ไอความคิดของเราที่มาล้มความตั้งใจเราบ่อยๆไอความคิดตรงเนี้ยต้อง ข, ขจัดเพราะจิตที่เป็นกุศลมันจดจ่อตลอดเวลาเนี่ย ไอตัวนี้มันจะไม่มีโอกาสมันพยายามจะแทรกตลอดเนอะไอตัวตัดเนี่ยไอความคิดที่จะล้มเหลวความคิดจะไม่ทำความคิเดเตี้ยท้อเนี่ยอย่าให้มันมาแทรกเด็ดขาดให้ให้จิตจดจ่ออยู่ตลอดเวลามุ่งมั่นตลอดเวลาเนี่ยมั่นคงตลอดเวลาอีกข้อนหนึ่งก็คือเอามาเอาปัญญามาสอบสวนตรวจสอบตรวจตราตลอดว่าอะไรมันคือปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันจะขัดขวางความตั้งใจความสําเร็จ ความสำเร็จข้างนอกไม่สําคัญแต่ความสําเร็จข้างในมันต้องมันต้องมันต้องประสานประชุมความสําเร็จข้างในนี่นะสอบสวนว่าอะไรเป็นอุปสรรคถอดถอดอุปสรรคออกถอ ด, อ, ถ อ, ดองค์ประกอบที่มันจะเป็นปัจจัยต่อความล้มเหลวออกใส่เหตุปัจจัยที่จะให้ประสบความณ์ว่าเด็ดขาดแค่นี้มันจะประสบการณ์สเร็จได้มองออกไหมไอ้ ก, กาลังมันมีสามตัวยังไม่กําลังกายใช่ไหมต้องฝึกกําลังใจ กำลังใจกำลังปัญญาใช่ไหมสามกาลังตรนี้ต้องฝึกสำคัญทุกกำลังเพราะกำลังปัญญามันจะอยู่เหนือความคิดทอ้อถอยความคิดโถดปูดกำลังใจนี่มันฮึกเขมเวลาเจอปัญหาอุปสรรคไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ล้มเหลวส่วนกำลังปัญญามันจะพัฒนาจนจิตมันจนจิตมันอยู่เหนือไอเหนือเหนือความคิดแบบเดิม หนูก็ไปสอบการก็ไม่เร็นว่าเข้งใจว่ามันเป็นปัญหาจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆแล้วเพิ่งว่ามันมีไหมในตัวเองที่ใช่มีทุกคนมีทุกคนมันมีทุกคนแนตะ่แต่ว่ามันมันแก้ได้